อนุวัตรติดสัญญาเก่ามาด้วยลูกคนนี้เข้าวัดปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดเมื่อวันที่12พฤษภาคมอนุวัต์กลับเข้ามาวัดปฏิบัติธรรมเป็นครั้งที่สองอ่อนได้แนะนําให้เขาเดินจงกรมและภาวนาทั้งคืนในวันที่15พฤษภาคมซึ่งเป็นวันสําคัญของหลวงตาคือเป็นวันที่ท่านรู้แจ้งหมดกิเลส ทุกปีอ่อนและชาววัดจะต้องปฏิบัติภาวนาเป็นประจำเราภาวนาทั้งคืนเรียกว่าเนสัญชิกถวายแด่องหลวงตาอนุวัตรรับคำว่าจะเดินจงกรมและภาวนาทั้งคืนด้วยอ่อนยอมรับว่าเด็กคนนี้จิตละเอียดอ่อนนั่งสมาธิและกำหนดจิตไปดูเห็นเจ้าลูกชายเดินเป๋ลงข้างทางจงกรมเอียงวูบเหมือนคนหลับในอ่อนตั้งจิตส่งพลังให้อนุวัตเพื่อให้หายง่วง และจึงเห็นเขาเดินขึ้นทางจงกรมเป็นปกติสงใจไปช่วยเมื่อเสร็จงานเช้าแล้วหลวงตาออกไปนอกวัดแล้วอนุวัต์เข้ามาถามอ่อนว่าแม่ครับเมื่อคืนแม่ไปหาผมหรอครับ ผมเดินจงกรมแล้วรู้สึกง่วงนอนมากเดินเปลงข้างทางเหมือนรถตกถนนเลยครับผมเห็นแม่มาและผมได้กลิ่นแม่ด้วยผมเลยตาสว่างอ่อนสงสัยว่าอนุวัต์ได้กลิ่นอ่อนได้อย่างไรเป็นเรื่องแปลกแต่ก็เป็นเรื่องดีที่ยืนยันได้ว่าเราได้เห็นเขาและเขาก็เห็นเราเราไม่ได้เห็นเขาฝ่ายเดียวอ่อนดีใจที่อนุวัต์ตั้งใจทาสมาธิภาวนา อนาคตของเด็กคนนี้คงดีอยากให้เขามีธรรมะในใจเขาตลอดไปอ่อนมีเรื่องแปลกประหลาดจะเล่าให้ฟังในวันที่อ่อนไปกราบหลวงพ่อโสธรเพื่อขอลูกขณะที่อ่อนนั่งพนมมือกราบขอบารมีท่านอ่อนตั้งจิตให้สงบนิ่งขอท่านด้วยความตั้งใจจิตอ่อนนิ่งเข้าสู่สมาธิและอธิษฐานว่าหากจะมีเทวดามาเกิด เพื่อสร้างบารมีก็ลงมาและขอให้เกิดมาเป็นผู้ชายแต่หากมาเกิดเป็นผู้หญิงก็อย่ามาเลยจะเป็นทุกข์พออธิษฐานเสร็จอ่อนเห็นลำแสงสว่างพุ่งลงมาจากฟ้าวงใหญ่มากตรงมาที่อ่อนยังจำแสงและเหตุการณ์นั้นได้จนทุกวันนี้มีผู้รู้บอกกับอ่อนว่าการที่อ่อนไปขอลูกจากหลวงพ่อโสธรในวันนั้นเทวดาประชุมกันว่า ให้เด็กมาเกิดกับอ่อนไม่ได้เพราะอ่อนจะต้องลำบากมากทางที่ดีให้เขาไปเกิดกับผู้อื่นก่อนพอถึงเวลาแล้วค่อยมาพบกันมาเป็นลูกเป็นแม่กันได้แล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นแต่ใช้เวลา20กว่าปีก่อนที่เรื่องจะเป็นจริงหากลูกมาเกิดกับอ่อนตามที่ขอไว้อ่อนจะลำบากจริงๆเพราะตอนนั้นอ่อนยังเป็นเด็กไม่มีประสบการณ์อาชีพก็ไม่มีแน่นอน